พระธรรมเทศนาแผ่นที่83าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยกันควรสงเคราะห์กัน ว, ว, ว, มมวันนี้เป็นวันที่สามสิบสี่วันที่สิบสี่แม่บรลลานวันนี้เป็นวันที่สิบสี่ธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้พระในวัดของเราสามสิบสี่รูปแล้วก็อากาศ รู้สึกว่าเย็นกว่าเมื่อวานเนี่ยอากาศคงลดลงเรื่อยๆนะลูกหลานแต่เป็นยังไงอุปกรณ์การหนาวของเราก็คงมีพร้อมอยู่แล้วล่ละพระเนนขนาดนี้ข น, นขนาดทายาิโยมขนาดนี้เ้นเสียแต่มากกว่านี้เออแต่ขณะนี้ก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าตกแต่งได้เขา พอดีพอดีนะหลวงพ่อว่านะถ้าตกแต่งได้ขนาด c อมเพนแอร์ก็ประมาณสัก22 21องอดองศาแต่อยู่ในห้องแอร์นะกำลังพอดีพอดีแล้วก็วันนี้เมื่อจันจะหันเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณสัก้า9ิกมองเช้าหลวงพ่อจะได้เดินทางนะลูกหลาน เรื่องทางลงกรุงเทพงานไปเน้นไปทางงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านจะได้ถวายพระราชทานเพลิงศรีระของท่านวันที่สิบหกธนวาแต่หลวงพ่อลงไปวันที่สิบสี่วันนี้วันที่สิบสคงจะไปพักที่วัดมวรคงจะเข้าไปพักที่วัดบวรก่อน จากนั้นเขามีอะไรจะได้นำหรือวเข้าไป เ, าเดินขบวนเดินนำขบวนแห่พศ ร, รีละของพระองค์ท่านไปวัดเทพศิรินทราวาสเพราะเจ้าพระคุณจะไปพระราชทานเพลิงที่พระเมนห ล, ลวงวัดเทพศิริน ก็คงจะเดินจากวัดปอฟอนเป็นลักษณะเป็นขบวน ล, ลักษณะอย่างนั้นแะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่เลรับรู้รับทราบเพราะมันเป็นพันอยู่ในเมืองใหญ่เราอยู่ในชนนบดพระพระป่า พ, พระดงเราจะไปพูดพูดอะไรล่วงหน้าไปก็ไม่ได้เดี๋ยวกลับมาหลวงพ่อจะเล่าให้ฟัง <c oughs> หลวงพ่อได้ไปมีประสบประการณ์ยังไงหลวงพ่อจะมาบอกให้ลูกหลานได้ฟังอีกที่หนึง่งแต่หลวงพ่อไปลงไปคราวนี้เขาคงจะไปหลายวันพอชุมควรอยู่แต่เขาคงจะไม่นานเท่าไหร่หรอกพอเสร็จแล้วเขาคงจะลงไปภูกเก็ต ด, ด้วยนะลูกหลานนะเพอทางเจ้าอาวาส ว, วัดหลังศารต่ณฑอาจารย์จํำรัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงปู่เทศท่านเนี่ยสร้าง รวบรวมเจตุปัจจัยกับคณะัทหายาติโยมจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทศโดยหลวงตาด้วยอยู่ในที่เดียวกันเพราะว่าทางชาวภูเก็ตเขาก็รักเคารพในหลวงปู่เทศแล้วก็รักเคารพในองค์หลวงตาเจ้าอาวาสก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวต้นตระกูลของพระ กรรมฐานตั้งแต่หลวงปู่มั่นจุตินิพพานแล้วหลวงปู่เทพเคได้นำพักพวกสิทธิาณุสิ์ของหลวงปู่มั่นกลุ่มหนึ่งลงไปที่ภูเก็ตพังงากระบี่แถบๆนั่นแหะหลวงปู่ล่าเคยไปจำบันสาหลายพันษาเหมือนกันนะหลวงปู่ล่าหลวงปูง่เหรียญหลวงปู่คาพองหลวงปู่วัน หลวงปู่อะไรหลายหลายองค์เหมือนกันพระกรรมฐานทางสายหลวงปู่มั่นเดี๋ยวนี้เคไปปลูกไปฝังอุปนิสัยของลูกหลานจะเป็นสืบทอดมากระทั่งทุกวันนี้ก็นเนี่ยกูบายการรุ่นเก่าๆท่านมองไกลท่านก็ไปปลูกฝังอุปนิสัยของศรัทธาญาติโยมทางจังหวัดภูเก็ตพังงา ก บ, บีแถบๆนั่นอ่ะมีหลายวัดเหมือนกันแต่ในคราวนี้ครั้งนี้ก็คณะสิทธิ์ยาวนุสิ์พร้อมกับพระสงฆ์จะได้วางสิและเลิกสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์คงจะไม่ทำคำไม่หลังใหญ่ดูฟังๆดูแล้วคงจะเสร็จโดยเร็วตรงพ่อจะได้ลงไปที่นู่นละจากนั้นก็คงจะได้กลับขึ้นมา แต่ยังไม่แน่ว่าวันไหนก็คงจะไม่นานภารกิจธุรกิจล้วนๆหลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อจะบอกกล่าวให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่าหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวทุกครั้งที่ไปที่ไหนมาเพื่อให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบนะแต่ทั้งถึงยังไงก็ตามการไปนะักสถานที่ใดจู่นะักที่ใด ไปนัสถานที่ใดอยู่ในใจของเราก็อยากจะให้ลูกหลานคณะสถานญาติโยมพระเนนทุกองค์ไตั้งใจไว้อยู่เสมอว่าข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขนี่ถ้าเราไปตับไปเอื้ออำนวยให้ให้ผู้อื่นมีความสุขว่าที่ได้เราไปไปเห็นเราได้ไปช่วยได้เห็นเราว่ามีส่วนหนึ่ง เ่ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง่ถ้าเราไปแล้วไปเขาเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ไม่ควรไปเหมือนกันนะถ้าว่าไปแล้วเขาสุขใจเพราะเขานิมนต์เราก็ไปด้วยความสุขใจเหมือนกันไปด้วยความน้ำไปด้วยน้ำใจเหมือนกันนี่แหละการทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรว่าตนจงเป็นสุขและก็พร้อมกันกับแผ่เมตตาให้ผู้อื่นอีก ท่านจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการสุขความสุขอย่างไรผู้อื่นทุกท่านขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันอยู่ถึงใจมากน้อยขนาดไหนถ้าเรามีใจมีจิตใจอย่างนี้ก็จะมีความ เอือเพื่อเอืออารีต่อกันแบ่งสรรปันส่วนกันมองกันถ้าใครทุกข์เออเอาช่วยกันเพราะต้องการความสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขท่านก็ต้องการความสุขเราก็ต้องช่วยเขาตามที่เห็นสมควรเว้นเสียตว่าช่วยยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้อันนั้นมันก็จุดวิสัยก็ต้องมีอุปเปกขาเหมันกันนะ ห ล, หลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่เมตตาอย่างเดียวมันมีทั้ง4อย่างไม่ใช่เหรอเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราที่แรกเราก็ต้องมีเมตตาต่อกันก่อนปุรปปับมาแล้วก็มีแต่อุเบกขาอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันแต่มีแต่เมตตาอย่างเดียวหลับหูหลับตาไม่ได้คิดได้อ่านมีแต่พยุงเขาอย่างเดียวตัวเองจะจมน้ําตายกับเขาอยู่ อถ้าเองตัวไหว้น้ําไม่เป็นกระโดดลงไปไปให้เขาเกาะฮะปวให้สู่กันเลยไปเกอดจมตายทั้งเขาทั้งเราด้วยก็ไม่น่าจะถูกอิ่เหมือนกันสิ่งเหล่า น, นี้เราก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกัน่ะออถึงจะเ ป, ปรตปาธนาท่านเป็นสุขก็จริงอยู่แต่เรากระโดดลงไปเราเป็นทุกข์เลยท่นเลยยังข้าไปเจ้าจงเป็นสุขอผู้อื่นจงเป็นสุขเออแต่ว่าเมื่อเราทําอย่างนั้นมันเป็นยังไง เสียหายขึ้นมาไมสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนั่นเหมือนเราก็ช่วยคนช่วยคนจนเราจะจะช่วยเขาแต่เขาเมื่อเขาช่วยเขาแล้วเขาพยุงตัวขึ้นมาเขาขยันขึ้นมาแล้วก็เขามีปัญญาขึ้นมาอันนั้นช่วยตัวนั้นมีประโยชน์มากเพราะเขาในในเขาในขณะที่ตกตกอับ แต่เขาขยันอยู่แต่คดีนไม่ขึ้นเหมือนกับช้างตกหล่มอย่างนั้นน่อ่ะเราก็ต้องช่วยถ้าพอมันขึ้นมามันก็ช่วยตนเองได้แต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นอช้างพิการถึงจะตกไปทั้งในหล่มขึ้นมาแล้วกัน น, ะนอนอยู่ยงั้นไปไม่ได้แต่ถึงยทงไงเราจะช่วยไหมก็ช่วยด้วยความเมตตาแต่การลงทุนของเราเนะี่ยจะเป็นยังไง เราเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าทั้งที่ช้างตอนนั้นช้างพิการมันจะหมดอายุสภาพของมันอยู่แล้วในหลายสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดเองเหมือนกันพูดที่เราจะช่วยอย่างที่คนพูดขึ้นมาทําไมพระครูบาอาจารย์ไม่ช่วยคนจน ต, ตามให้จรงิงคนช่วยคนจนช่วยอย่างไรช่วยภาพรวมอย่างพวกเราช่วยโรงเรียนบ้าง ช่วยเครื่องมือแพทย์ปังแล้วก็มีมากมายที่เราช่วยแต่ว่าการช่วยสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องดูอีกว่าช่วยในหลักธรรมคาสอนที่ว่าคนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้คนขยันยอมหาทรัพย์ได้แต่เราช่วยลงไปเนี่ยช่วยยังไง ถ้าเขาเกิดพื้นแผ่นดินไทยถ้าว่าเราเสียภาษีแล้วเออทางรัฐบาลช่วยจ้ะอย่างคนพิกลพิการอย่างนี้แล้วเราจะช่วยได้ยังไงถ้าเราจะช่วยถ้ากำลังเราช่วยมันหนักเกินไปช่วยตลอดไปจะเป็นภาระของทางรัฐบาลออที่เงินภาษีออกมาใช้เกี่ยวกับคนกลุ่มนั้นเราก็เสียเสียสละไปอยู่แล้วนะ แต่จะให้เราไปแบกภาระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีกำลังน้อยเราจะไปแบกก็ไม่ได้แต่ถา้ามีกำลังน้อยก็จรปล่อยปาละเลยในหมู่เพื่อนพวกเราในขณะที่พวกเราตกทุกข์ใยากอยู่พอที่จะไปช่วยพยุงกันขึ้นมาได้เราก็ต้องมองอีกเหมือนกันเราจะช่วยยังไงในหมู่เพื่อนฝูงของเราที่ ได้ตกทุกข์ได้ยากามีปัญญาอยู่ขยันอยู่แต่ว่ า, ามันผิดเ พ, ก, เพกลอก อ, อันนี้พอเราจะช่วยได้เราก็ช่วยแต่ผู้ที่เราช่วยนันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเปรียบเอ า, เอาผู้ที่ช่วยตลอดไปก็ไม่ใช่ในเมื่อตัวเองฟื้นขึ้นมาแล้วควรจะทดแทนอย่างไรอันนี้มันก็ต้องมีน้ำใจ ต่อกันอีกเหมือนกันนะแต่โดยมากพอฟื้นขึ้นมาแล้วดูเดูชอบดูถูกเขาอีกไม่เห็นบุญคุณเขาอีกอย่างนั้นก็มีมีมากเท่มากเหมือนกันอทั้งที่ตัวเองในเมื่อตกทุกข์ได้ยากาหมู่พกเพื่อนก็ช่วยเนี่ยพอช่วยขึ้นมาแล้วลืมตาอาปากได้แล้วนะ่ะไม่ละลึกถึงบุญคุณของหมูของเพื่อนอันนี้จุดนี้แหละสำคัญแต่ถึงยังไง ดังองค์หลวงตาท่านมหาดวงตาที่ท่านบอกสอนถึงจะให้ใครก็าตามอย่าไปจําอย่าไปจําถ้าจาแล้วถ้าเราให้เขาไปแล้วเขาเราจาว่าทำไมเขาไม่ทดแทนบุญคุณของเราอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเราทุกใจเลยในเมื่อเราคิดดีแล้วเราจะให้เขาในเมื่อคิดแล้วก็ให้ป่ะสงเคราะ์อนุเคราะห์เขาไปแต่เมื่อให้ไปแล้วก็จบเขาจะ ทดแทนแล้วไม่ทดแทนเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเพราะเหตุไรถ้าว่าเราสนใจใส่ใจเราเป็นทุกข์ใจของเราเราไม่ต้องทุกข์เมื่อเราคิดดีแล้วจึงให้สงเคราะห์อนุเคราะห์ไปแต่เมื่อเขาให้เราใครก็ตามเมื่อเขาให้เราเราต้องจาไว้อันนี้คือเขาให้เราเราต้องจาไว้อีกเราต้องทดแทนบุญคุณของเขา ในเมื่อเขาให้เราเราจงรู้จักบุญคุณนะคนที่รู้จักบุญคุณของคนนะตกยันตอยู่นัตสถานที่ใดไปนัตสถานที่ใดคนนั้นจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเพราะอะไรอย่างที่พวกเราช่วยเขาเมื่อเราฟื้นตัวขึ้นมาได้เราก็ทดแทนบุญคุณเขาอีกยกยอชนเสริญเขาอีก ในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็ยินดีที่จะมาช่วยเราอีกเพราะเหตุหายเพราะว่ า, เ, าเราไม่ลืมบุญคุณของคนเนี่ยนะการไม่ลืมบุญคุณของคนเลยพวกนี้จุดนี้ให้พวกเราจำเอาไว้ให้ทดแทนพระคุณของผู้มีอุปการะคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอหลวงพ่อไม่ใช่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายเออ หลวงพ่อทำคุณให้กับพวกเธอให้พวกท่านทั้งหลายแล้วพวกเธอทั้งหลายเนี่ยต้องระลึกบุญคุณถึงเรานะ้าหลวงพ่อไม่เคยคิดนะอหลวงพ่อไม่เคยคิดอย่างนั้นหลวงพ่อมีหน้าที่อะไรแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสงเคราะห์อนุเคราะห์ใครต่อผู้ใดหลวงพ่อให้แล้วก็จบสบายใจแล้วก็จบนะไม่ว่ามากไปว่าน้อยนี่แหละหลวงพ่อถือกติอย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านพูด่าเมื่อคิดดีแล้วก็ให้ เมื่อให้แล้วไม่ต้องไม่ต้องทวงไม่ต้องทวงคืนอไม่ต้องแล้วบอกว่าไม่ทดแทนบุญคุณไม่ต้องคิดเนะี่ยนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะสบายใจนะเออท่าพวกเราสบายใจในการเป็นอยู่ด้วยการการจูอมากมายแต่ถึงยังไงก็ไหนะการช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านจะต้องคิดนะ จะต้องคิดอันนี้คือการอยู่การเป็นอยู่การแนะนําในการเป็นอยู่ตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรบู่พวกเพื่อนทุกคนมนุษยชาติทั้งหลายจงมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือการเป็นอยู่ทางด้านจิตใจเราต้องฟิตตัวเองอยู่เสมอ ว่าการเป็นอยู่ของข้าพเจ้าเนี่ยในขณะนี้เป็นยังไงเป็นที่อุ่นใจหรือยงังคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอุ่นใจหรืยอยังถ้ายังไม่อุ่นใจก็นั้นเร่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ภาวนาทำจิตใจให้เป็นสมาธิให้ได้แต่ละวันต้องดูใจของตนเองวันนี้เราคิดเรื่องอะไร มันมกมกมุ่นไปเรื่องอะไรเศร้าหมองเศร้าหมองไปด้วยเหตุอันใดทำไมมันจึงเศร้าหมองทำไมจึงมกมุ่นในเรื่องเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามใช้สติใช้ปัญญาของเรากันกรองไตรตรองอีกเหมือนกันนะพยายามถอยออกมาในสิ่งที่บอกมันไม่ดีแต่ถึงในถึงใจของเราจะชอบก็เถอะนะ แต่ว่าครูบาอาจารย์และหลักธรรมวินัยดานบอกว่ามันไม่ดีคอัเราก็ส่วนลึกของเราเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราชอบนะ เ, เราชอบเราก็ต้องฝืนนะต้องเอาชนะกิเลสภายในใจของเราให้ได้ในจุดนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั่นสิ่งทั้งปวงนั่นก็คือผู้ที่จะไปสู่คุณงามความดีได้ต้องฝืนใจตนเองนะ ถ้าหาว่าไปตามใจตนเองโดยมากใจของเราเปนไปทางกิเลสโลภบั้งโกรธบั้งหลงบงั้งราคะบาั้งโทสะบาั้งโมหะบาั้งถ้าหากาพวกเราดูใจของตัวเองด้วยสมาธิจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจของเรานิ่งจิตใจของเรารู้ตัวอยู่ตลอดมีสติสัมปชัญญะในตัวเองตลอดเราจะมองเห็นได้ว่าอันไหนควร อันไหนไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมเราจะเดินไปทางไหนเราจะเดินอย่างไรในชีวิตของเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านเป็นหน้าที่เป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเราเนี่ยะอันนี้ก็เป็นการประพฤติธปฏิบัติในส่วนตัวแต่ส่วนหนึ่งหลวงพ่อเองก็อยากจะบอกกล่าว ในขณะที่หลวงพ่อไม่อยู่พระทุกองค์ก็อยู่ในให้อยู่ในอยู่ในเกราะของหลักพระธรรมวินัยนะลูกหลานมีผู้น้อยมีผู้ให ญ, ใหญ่การอยู่ด้วยกันผู้ใดเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพองนั้นเหมือนกับพี่ชายของพวกเราถ้าจะถือว่าหลวงพ่อเป็นพ่อของวัดในเมื่อพ่อไม่อยู่ก็ต้องเคารพมพี่ชายขั้นตอนลงไป มีอะไรก็ปรึกษาปารบกันการอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าพวกเราไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่ไม่ใหม่มันก็ดีนะชอบนะแต่พอต่อไปภายภาคหน้านั่นะการอยู่ด้วยกันเป็นคอเท่าค้อ น, อนไม้เท่าไม้พระนสุกกันนะหาความสงบสุขไม่ได้ในกลุ่มของลูกศิษย์ลูกหากลุ่มของพวกเรา รั้นคอพวกเราทุกถูกองนะให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวสอนไว้แล้วสอนไว้ทุกอย่างเปิดเทปฟังเปิดเทปฟังก็ได้ทั้งมีหนังสือด้วยทั้งเอ็มพีสามด้ฟังหลวงพ่อสอนไม่หมดแล้วความรอบครอบทุกอย่างอันไหนควรไม่ควรอย่างไรควรจะทําอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไร ควรจะดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ของเราอย่างไรในขณะนี้อยู่เราอยู่ในสถานะไหนเนี่นัรู้เนี่ยอยู่ในสถานะไหนเราจะเดินอย่างไรต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยหลวงพ่อบอกไว้หมดเมพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ แล้วก็ต่างคนก็ต่างอยู่แล้วต่างคนก็ต่างมองไปข้างหน้าชีวิตของเราจะยืนจะนานไปสักเท่าไหรเ่เรามีความเกิด เ, เรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา เ, เราจะไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้บัดนี้ชีวิตของเรา วันคืนวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะสิ่งเหล่านี้ให้ถามตนเองมาอยู่เสมอนะเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทาไว้เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วนะสิ่งเหล่านั้น พระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอภินห์ปัจจเวกคณะพิจารณาห้าอย่างเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องเราจะต้องผัดผักเราจะต้องได้รับผลของกรรมอันนี้พวกเรานึกคิดไว้ในใจแต่พวกเรานึกคิดอย่างนี้ไว้ในใจจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไปในสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใด จะประกอบประกอบแต่คุณงามความดีเท่านั้นนะันละ้วพอนอนุโมทนาให้พล